สวัสดีจ้าอ้าวคุณตื่นแล้วเหรออืมตื่นนานแล้วล่ะรู้เลยนว่าเธอตื่นตอนไหนรู้แล้วทำไมไม่ลุกมาทักทายกันล่ะก็กลัวจะรบกวนเธอไงฉันเลยแกล้งหลับตาซะเผื่อฉันจะเข้าไปดูคุณแล้วคุณก็จะแกล้งฉันชิมิล่าก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่จะเล่าจนรอดเธอก็ไม่ยอมเดินเข้ามาดูฉันสักทีนึงอะป็นสุสานคนเจ็บบ้างเลยใครคนเจ็บก็ฉันนี่ไงคุณไม่ได้เจ็บ้วนี่ใครว่าล่ะฉันที่เจ็บอยู่นะแผลที่หมอผ่าตัดกรสนออกไปนะั่นอะ ยังไม่หายดีจะต้องล้างแผลกินยาเหมือนเดิมอ่ะถ้าไม่หายแล้วไปจากที่นี่ได้ไงละ่ะไปได้ก็แสดงว่าหายแล้วสิว่าฉันอีกแล้วนะเนี่ยโชยชาติ๋มาดนว่าซะแล้วเเป็นความสวยในเทพนแน่เลย <c oughs> นะว่าอื่นก็ร้ยยังมีหน้ามาข า, าอีกน่ะห <c oughs> น้าไมอายจริงๆริ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วละ่ะคนอย่างฉันมันด้าด้านหน้าทนยากขนานั้นใชเหรอแน่นอนอืมนี่ฉันคิดถูกเปล่านะเนี่ยคิด <c oughs> ถูกอะไร ก็คิดจะอยู่ที่นี่ต่อไปสิเป็นไรหรอกคิดแล้วก็เปลี่ยนใจได้เดี๋ยวเดินเข้าอำเภอก็ยังไม่สายนี่เดินไปอำเภอเหรอใช่สิห้าสิบกิโลเชนะจะเช่นเดินไปเนี่ยอ้าวทำไมถึงจะเดินไม่ได้ล่ะคือเดินตายพอดีอะที่ตอนที่พี่สุเวช่วีตามหมอทำไมพี่สุเวงไม่ตายล่ะแถยมยังช่วยชีวิตคุณเอาไว้ได้ด้วยนะเนี่ยสุเวงเป็นคนเก่งแข็งแรงมากากเลยนะแล้วคุณล่ะคุณไม่แข็งแรงหรือไงแหมก็มีแผลล็เต็มตัวแบบเนี้ แผลขงแรลได้ไงแผลโดนยิงธรรมดามากเลยเธอก็พูดได้สิทำไมก็เธอไม่โดนยิงเหมือนฉันนี่นาลองโดนยิงอย่างฉันก็มั่เนี่ยเราจะยัพูดไม่ออกนะคนอย่างฉันไม่มีวันโดนยิงหรอกไม่เหมือนคุณหล็กหยาฉันมันทําไมอ่ะเพราะคุณอวดร่รํารวยอย่างเนี้ยสิพวกจ น, นถึงได้หมั่นใจทําการปล้นซะเลยสิลา เชื่อเธอเลยนะเธอใช้สมองส่วนไหนคิดอันนียอ้าวหรือไม่จริงล่ะไม่จริงเลยแต่ฉันว่าจริงคุณน่าจะต้องใส่สร้อยทองเส้นเบเริม่มกับลาข้อมือทองเส้นเบเริ่มเหมือนกันแล้วก็นาฬิกายี่ห้อแพงๆแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหลายหมืน่นแล้วก็ยังมีเงินสอดอยู่ในกระเป๋าอีกเป็นปึกแล้วก็ยังมีอะไรต่อมีอะไรในรถแล้วก็รถหรูหรามัด้วยนี่แหละอวดร่ำ บ, บวรวยก็เลยโดนพวกโจรมันจัดการซะเลยโอ้ย คิดได้ไงกันเนี่ยจริงหรือเปล่าล่ะมีที่ไหนทองเธอไงนี่ฉันไม่ชอบส่หรอกนะสก่กอดทองคําเนี่ยกระเป๋าทองคําก็ไม่ชอบมีหน่วยกาเรือนนึงเป็นของขวัญวันเกิดที่แม่ซื้อให้เมื่อปีที่แล้วแล้วกันสดจากกระเป๋าก็ไม่กี่พันเออเผื่อรถมีปัญหากลางทางจะได้มีเงินสดใช้จ่ายก็แค่นั้นเองแหละแสดงว่าเป็นคราวสวยของคุณนั่นแหละคราวสวยอย่างฉันจริงๆนะแล้วเนี่ยวันนี้จะไปเก็บใบชาหรือเปล่าอ่ะ ไปสิไม่ไปไม่ได้หรอกมันเป็นอาชีพของหมู่เฮาเหรอใช่ไปด้วยได้ไมามแ้วคุณหายดีแล้วเหรอตะกี้เนี้ยคุณยังบอกว่ายังไม่หายเลยนี่ไปได้ต่อขยายฉันไปด้วยอ่ะม่ได้หรอกรอให้หายดีกว่านิดหน่อยสิแล้วค่อยไปแต่ว่านี่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเป็นคนไข้ก็ต้องเชื่อพยาบาลสิอ๋อนี่แต่งตั้งตัวเองเป็นพยาบาลซะแล้วเหรอก็ใช่สิยะแกดินนาะคุณพยาบาลแม่โซเรียมเออแล้ววันนี้มีอะไรกินมั่งนะ ไม่บอกไปดูเองสิดูจรงเลยนะเธอเนี่ยก็แน่นอนพูดกับคนดื้อก็ต้องดูหน่อยสิเออให้มันได้อย่างนี้สิอา้าวไปไปมามาเช่กลายปเป็นคนดื้อไปซะแล้วเหรอเนี่ย <laughs> รับฟังรายการละครวิทยุแม่เซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เพ t ่งรู้ว่าฟ้าประนีคนอย่างฉันอภินมีจริงกในหัวใจูชีวิตไม่ได้โหร้ายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไร่งหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมใจวาดไวแต่สุดท้ายก็พบ เจอคนที่เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตที่ขาดได้เจอ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 สิ i doing o เพราะเธอสวยงามที่ใจและสร่รอบทันมันคือความอัศจรรย์เลิศกาลบางคราวเธอคงอัปยไปความงามตามใครไม่ใช่เธอจะลองมองความเป็นเธอที่สอนว่า She's s t e a u f u l m k e me still l o v r As l o n as she's s i l her, that's h I n มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใและสัรับฉันมันคือความอัศจรรย์มองด้ใจและรับรู้ได้าวาเธอคือของล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอ เธอสวยาที่ะสรับันมันคือความอัศจรรย์หือ Oh หรับันมันคือความอัศจรรย์ที่ The p r o การรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation e n t e r เ a i n m e n t เป็นเงล่ะศิลา ไรนี่สบายใจแล้วใช่ไหมแหมพิสุเวจ้าฉันก็สบายใจทุกวันอยู่แล้วไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจสักหน่อยอย่ากโกหกตัวเองหน่อยเลยฉันโกหกตัวเองยังไงล่ะก็ตอนคุณเทพไปแล้วเธอนั่ยเครียดมากเลยไม่รู้ตัวหรืองไงข้าปรามไม่ยอมกินทั้งทั้งที่ตัวเองก็หิวแทบตายยังปากแข็งว่าไม่หิวที่แท้ ง, งอนคุณเทพนั่นเองพอคุณเทพกลับมากินได้กี่จานกี่จานก็กิกนได้ <c oughs> ว่าไงกี่ไปกี่จานจ๊ะพี่อยากรู้ว่ทําไมเล่ า, อาบอกหน่อยสิกิจานสามจานโอ้โหกินก็ดียหรอจ๊ะสามจานอ่ะจ๊ะแบบนี้ไม่เลยกว่ากินแล้วอะไรกินล่ะหมะูสิสูเปเดี๋ยวเหอะ <c oughs> พี่เนี่ยมาหาฉันเป็นหมูได้ไงอะ่ะเอ้าก็หรือไม่จริงก็ไม่จริงสิอ้าไม่จริงยังไงจ๊ะยัย <c oughs> นี่ดูไม่เสียงน้าใครอ่ะ ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละของมูซองนี่ล่ะนั่นแหละถ้าเราไม่ผิดมูซอมันขี่ม้ามาหาเธอยังไม่ต้องสงสัยเลยมาหาฉันทาไมอ่ะอ้าวไม่รู้เหรอมูซอมันชอบเธอโอ้ยไม่จริงหรอกจริงสิเธออย่าเผลอไปใจออกกับมันนะทํามก็มันจะหลอกไปทําเมียน่ะสิพี่สุเวพี่พูดอะไรอ่ะพูดจริงๆนะ พี่เ่ารู้จักมูซอดีรายนั้นน่ะไม่ได้ด้วยเรขก็ต้องเอาด้วยก้นแต่กับฉันไม่มีวันสำเร็จหรอกรู้แล้วแต่อยากจะเตือนเอาไว้เท่านั้นน่ะถ้าเขาเข้าใกล้ก็ต้องระวังตัวให้มากๆไม่รู้ว่าจะมาโปะยาสลบหรือเปล่าพี่สุเวคิดไกลขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ว่าไม่ได้นะนี่ก็เป็นแค่ความคิดของฉันอย่างเดียวอะรู้แล้วล่ะดีมากนั่นไงขี่ม้ามาหาเอจริงจริงนั่นแหะ ตรงมาถึงนี้แล้วมาทำไมก็ไม่รู้สิน่าเบื่อชะมัดยติและมูซอนเนี่ย สีลาจ้ะมูซอมีอะไรรึเปล่าฉันต้องรีบไปเก็บใบชาอย่ามาขวางทางเดินสิก็นี่ไงฉันขี่ม้ามารับเธอไปเก็บใบชาแล้วไงเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเก็บใบชาด้วยดีมหมไม่ดีแน่ทําไมอ่ะนายเก็บไม่เป็นแล้วจะไปทําไมเล่าไปเก็บกาคนอื่นเขาปเปล่าจะไปยากอะไรล่ะแค่เก็บใบชาให้เธอแนะวิธีเก็บครั้งเดียวก็เก็บเป็นแล้วมันขึ้นอยู่กับที่เราอยากจะเก็บรึเปล่าเมื่อก่อนฉันอาจจะไม่สนใจ แต่เดี๋ยวเนี้ฉันสนใจจะเก็กบใบาชาแล้วนะทำไมก็เพราะว่ามีเธออย่างไงล่ะมีเธอเก็กบด้วยฉันอยากเก็กบใบาชากับเธอน่ะไม่อ่ะนี่หลกไปนะฉันจะไปกับพี่สูเวไปจ้ะพี่สูเวจ้ะไปเฮ้ยศิลานี่เธอเดินหนีฉันไปเฉยเลยเหรอเนี่ยคนอย่างฉันไม่เคยมีสาวคนไหนเมินหน้าหนีเลยนะเนี่ยมีเธอคนเดียวที่กล้าทํากับฉันเชะบุู่เก เอ็งหน้าขำสิ้นดีเลยบูเกเอ็งขำอะไรฮะก็ขำไงไม่รู้จักคําว่าขำเหรอเอ็งขำอะไรขำใครบางคนไงล่ะที่กับศรีลาแล้วก็เธอจ้าเธอจ๋าฉันนะจ๊ะฉันนะจ๋าที่กับฉันแล้วก็เอ็งย่างงั้นเอ็งย่างงี้อีเธอเอ้ยไอ้ทุเร่บูเก มากไปแล้วนะทําไมเองจะทําอะไรค่ะฮะข้าอตกปากเองเสียแล้วเกินหึก็ลองตบดูสิข้าสู้ตายแน่เองทําไมเองถึงได้ปากเสียอย่างนี้นะ่ะฮะก็แล้วเองล่ะเองปกติดีนักหรือไงข่าว่าเองกับข้ามันก็พอๆกันแหลนะน่ะโอ<ฮ>ยสุดจริงๆเลยเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเองยังไปไหนไม่ได้เฮ้ยบูเก้เองรั้งแขนเข้าไว้ทําไมอ่ะ ต้องการพูดกับเองแต่ข้าไม่มีอะไรจะพูดด้วยข้ามีข้าไม่มีดีไม่มีก็ไปเลยจะขอบอกก่อนนะข้านี่แหละจะความเลวของเองอ่ะไปแฉกับสีลารับรองเลยว่าสีลาไม่มีวันแต่งงานกับเองแน่ไอ้งูซอโอเคเองเอาไปสิอยู่ทําไมละ่ะอยากไปใจจะขาดแล้วไม่ใช่เหรอเองจะเอาอยัางไงกับข้าฮะถ้าไม่อยากมีปัญหากับสีลาเองก็ต้องทําตามที่ข้าบอกเท่านั้นอ่ะ อะไรไปเก็บใบาชากับข้าไม่ไปกับข้าเดี๋ยวนี้เสียใจเว้ยยังไงก็ไม่มีวันไปกับเองเด็ดขาดทำไมไปกับข้าแล้วมันเป็นยังไงก็เองมันอ้วนเหมือนหมูตอนใครอยากจะไปด้วยเลยโถ่อยไอ้บูซอเองเองอยเนียเนี่ยบไว้บูแกโถ่อย คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบษนียบัตดหรือจดหมายสแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตูปออ้ปน1สอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัรสใบษณีย้0 0 0 0หรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยือดไปให้แก่ท่านฟรี